จบมาเช้าหลวงพเขียนเสียงไม่มีอาตากรเสียงไม่มีเหมือนกันละงมาเช้าอดข้าวม า, าวันที่สี่แล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยหลายกว่าสี่วันเ ช, เช้าเสียงก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันเย็นๆพอได้แต่ว่าเพ่อเจ้าเสียงไม่มีปกติก็มีนะแต่ทราบว่า สองเสียระหว่างนั้นก็เลยนิมนต์จารย์สมใจเทศในเช้านะก็สังเกตดูเป็นพระบทดใหมนะ่ได้ประมาณเดือ น, นต่างพพอนิมนต์เทศหลนะวง่อมาได้รู้จักอาจารย์นะสมใจจากความเป็นอยู่ในหนึ่งเดือนนะแต่รู้จักจากสภาวะธรรมที่เคยสัมผัสสัมพั์มา แต่โนนสมัยอาจารย์นิโรโทนะพระพลังเบิดกันแล้วนกะ็มีอาจารย์อีกชื่อหนึ่งจำชื่อไม่ได้ก็รู้จักกันอย่างนั้นนะเคยนิมนไปที่เนะชียงใหมนะ่ทำให้อดมาและมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อมเขียนในครั้งนั้น 2526-27 นะประมาณนั้นแหลนะนะก็สนุกดี เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดวันนี้กันขึ้นมาวันนี้หมายถึงอะไรครับวันนี้หมายถึงว่าคำท้าไทยหลวงปู่เทียนสามปีมันไม่ทุกข์กับจริงไหมสองปีไม่ทุกข์กับจริงไหมหรือว่าเก้าสิบวันอย่างเร็วสุดไม่ทุกข์กับจริงไหมจากการเก้าเรียกว่าเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเนี่ยแต่ว่ามันก็มีประสบการณ์ มีเทคนิคนะมนะีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องสังเกตนะมันก็คือสภาวะธรรมนั่นแหละนะมันคือสิ่งที่หลวงพ่อเรียกว่าอาการนะคือเราไปให้ค่าไม่ไดนะ้ถ้าเราให้ค่ามาหลยมันก็เลิงหลงมันจะโชว์ทันทีก็ น, นั่นหมายถึงว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าโง่โงูนะนะถ้าเจองจงอาง อย่าไปเรียกเฮ้ยจงอ้างมันจะฟุดชูคอทันทีต้องเรียกว่างูสิงเฮ้ยงูสิงงูสิงมันก็จะฟอลงทันทีอย่างงี้ยไงเหมือนกับอาการในตัวเราเหมือนกันไปให้ค่าเป็นกุศลเป็นอกุศลเดี๋ยวได้เรื่องเลยกุศลเราก็ชอบก็ไปละเป็นบุญเป็นบาปอ่านเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชางแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้ว พอเราไม่ได้ดูมัน ซ, ซ, ซื่อธรรมดาเราเห็นคนสองคนเหมือนกันเขาก็ดีเขาก็ชั่วเงี้ยดีมันก็เห็นเฉยๆก็ได้ชั่วก็เห็นก็ชั่วเฉยๆก็ได้ชั่วฉันเกลียดดีฉันรักก็ขาดทุนเลยปฏิบัติธรรมเป็นการเวียงแห่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยเวียงแห่ไหมล่ะเคยไหมยอมอาจจะไม่เคยอ่ะ แต่มาเคยนะ่าเบี่ยงแหรนะอยากจะลูมเบี่ยงยังไงมันถึงได้กลมแปง้งรู้จักอยู่เขาเรียกว่าสะดือเขาเรียกว่าจอมแหร <c oughs> ต้องมีเชือกยาวๆว่าเวลาหวานลงไปจะได้ดึงขึ้นมาได้คราวนี้ทําไงให้มันกลมพอดีก็ต้องเ <c oughs> ชือกนี่ต้องพับให้ดีๆพับๆๆไปพับมาพับไปพับมาอย่างงี้ยมันก็สายไหมเงี้ยพับไปอย่างเงี้ยเลยอย่างงี้ พับอย่างเงี้ยแล้วก็พับไปเรื่อยๆจนทั้งถึงตัวแแหจอมแแหแล้วก็พับลงไปเอกจนยกแล้วก็เออประมาณสักเนี้ยครึ่งแข้งเรานะพอดีพายกยกระดับอกแล้วครึ่งแข้งเนจะพอดีแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนให้ได้หนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนอีกส่วนที่หนึ่งเอามาเกี่ยวสอเข้าไปฟึ๊บเข้าไปส่วนที่สองยกขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งเอามาจับเข้าไว้ แล้วส่วนที่สามก็มือซ้ายก็ถือเปนนะดูปลาออกนะปลาอะไรฮะที่มันว่อนขึ้นมาไหวแหวบขึ้นมาพุดขึ้นมาเนะี่ยดูออกปลาดุกมันจะออกมายังไงปลากะดีมจะดีดน้ํายังไงและทิศทางมันจะไปทางไหนฮะดูออกปลาดุกมันจะขึ้นมาอย่างไงปลาดุกมันจะเห็นหนวดอันนี้ดูไปยากเห็นชัดเลยโปรโฟตุตเนี่เห็นหนวด ปลาช่อนลีลาก็ตีเป็นยังไงตัวใหญ่เล็กขนาดไหนหคำนวณได้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยราเวียงลงไปนะแห่ถ้าจับปลาประเภทที่ว่าขึงอ้วนเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องเหมือนกับว่าโอ้มีลีลาพอสมควรแหลแห αι, จะมีลักษณะของก็จะปลดออกปลดตีนแห αι, ออกหมด เพราะว่าปกติมันจะมีตีนถ้าหากว่าไม่กดตีนเข้ากับขี้โคนนะจับปลาใหญ่นะจับปลาเล็กก็จะเบี่ยงไปแล้วก็ลากเลยพาลากเลยพมจะเข้าไปอยู่ในตีนแห่ปลาเล็กไปได้แต่ปลาใหญ่ไม่จะหลุดไปได้ปลาสโอบเนี่ยมันจะแรงปลาสโอบรู้จักปลายโอบไหมอ่าหางแดงๆปลาแก้มช้ำมั่งนะโอ้โหมันดีทิ้งแหกระจุยแหละไม่ได้กินมาหรอกนแรงมันดีเพราะฉะนั้นพอ หวานไปปั๊บนะต้องกดลงเลนทันทีเลยเสร็จแล้วก็ไล่ไล่ไล่ให้น้ำลึกได้จับได้ปลานะดำน้าเก่งอยู่อึดนะเคยทำมานะหาอยู่หากินนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นชีวิตเพึ่งตัวเองชนะอบอย่างนั้นเหมือนอะไรกับการไปแบบทำนะทำไมรู้สึกตัวล้ำถึงเห็นอาการของกิเลสก็มันก็เกิดดันขึ้นมาดันขึ้นม า, ด, นนมาดันออกนอกกรอบนะนะมันมีลักษณะของตัวเล็กตัวใหญ่ อย่างเช่นที่อาจารย์สมใจพูดมาเช้านะเห็นได้ชัดชัดอารมณ์ที่มันลึกๆนะความโกรธมันอาจจะหยาบเกินไปนะดินแรงมาเร็วไปเร็วแต่เธอที่มาเล็กๆก็คืออวดดีเป็นบนทินเครื่องเศร้าหมองอวดดีลบหลู่ลบปคุณท่านอะไรมันตัวละเอียดนะความโกรดนี่หยาบนะ ลบหลูคุณท่า น, นละเอียดหน่อยอิฉาิษยาละเอียดตันหนีขี้เหนียวละเอียดมายาสาไถโออวดร้อยเล่มเวียนละเอียดเห็นผิดเป็นชอบอะไรวนะนี่ยมันเป็นเรื่องของมณทินเครื่องเศร้าหมองแต่ว่าเราไม่ต้องไปตีฆ่านะนี่คือตัวโกดนี่คือตัวโลภนะนี่คือตัวคิดดีคิดไม่ดีไงนะไม่ต้องไปตีฆ่าเลยเพียงแค่ว่า เรารู้สึกตัวนะเข้าสู่กรรมฐานตัวนะีนะ้จึงเปรียบเทียว เ, เหมือนการเบียงแหลงไปแนละ้วมันมีอะไรมันต้องแสดงแน่ๆแล้วปฏิบัติธรรมเนะี่ยเพราะนั้นการที่เรารู้การเคลื่อนไหวนะของกายของเราคนไะม่เคยฝึกวิชากรรมฐานนี้มรู้ว่าคืออะไรพูดอะไรกันอยู่ขนาดนี้ไม่เคยฝึกมาก่อนนะการเห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวมันคืออะไรนะ แนวหลวงพ่จะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนมันคืออะไรนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่จะฝึกหัดปฏิบัตนะิการเคลื่อนมือแต่ละจังหวะโอ้มันรู้สึกนะแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันออกนอกกรอบโดยว่าความคิดมันเคยชินห่วงโลกห่วงล้านห่วงบ้านห่วงงานการกินเกียรติต่างๆอำนาจนิยมวัตถุนิยมบุญนิยมมริพกนิยมสารพัด ทุนนิยมมันลากันหมดอะแทนที่จะเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจึงเป็นนะคำตอบแรกที่เราจะต้องเฉลยนะมันคืออะไรนะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยามเรื่องตื้ น, ตนแต่ว่าคนมันชอบคิดลึกนะพอไม่คิดลึกมันก็เลยมองไม่เห็นใ้สิ่งที่อยู่ตื่นนะธรรมนะธรรมชาติของการสัมผัสเนี่ยนะมันไม่เห็น คิดว่งงาทำไมจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมองไปเสร็จแล้วก็เลยความรู้สึกตัวเนี่ยแหละแทนที่มันจะสัมผัสโลมเป็นการคิดรู้เข้าไปแทนที่จะสัมผัสซื่อๆมันก็กลายเป็นความเซอ่เซอๆข้าไปสัมผัสแลส้วเซ่อไปหมดอะรู้เซ่อๆแทนที่จะรู้ซื่อๆสัมผัสซื่อๆรู้ซื่อๆเคลื่อนไหวซื่อๆกลายเป็นยิ่งทํายิ่งงงไม่รู้ว่าทําไปทําไมไม่รู้ว่าทำอะไร เอ้เสียวเวลาเวลาอย่างเงี้ยถ้าจะคิดไปอย่างนั้นท้ายสุดก็คือออกนอกฐานแต่การออกนอกฐานเนี่ยออกได้เช่ น, ะนแช่ผ้าเตรียมไว้สักหน่อยนะปฏิบัติ ร, รมนะอย่าเพิ่งไปรีบซักมันนักนะแช่มันไว้เอาเวลาง่วงๆไปซักน้ําเย็นๆหายง่วงเลยนะขวาดบ้านก็เหมือนกันเวลาง่วงๆนะเดี๋ยวค่อยหาจังหวะยังไม่กวานขวานขวาดลานวัดถูลานวั ด, น, วดนะ สารพัดนะพื้นตรงไหนไปสกปรกไปถูไปกวาดนีแบ่งเวลานิดหนึง่งลดฐานมาหน่อยมันเข้ากรรมฐานไม่รอดบุญที่เกิดจากจิตภาญหาก็ลดมาเป็นบุญที่เกิดจากจิตอาสาทําดีถึงพร้อมแทนที่จะจิตบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไรเล้อดีหน่อยดีกว่าหายง่วงเงนะี้นดีกว่ามันเบื่อมันเซง็งแล้วเสร็จแล้วพอรู้ว่าตื่นตัวเดี๋ยวกลับไปซัดกันใหม่ซดกันใหม่นะยกมือสิบสี่งว่านั่ง ตรงไหนก็ได้ที่มันสะดวกสะดวกจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นะหรือว่าจะนั่งเหยียดขาเหยียดแข้งก็ไม่ได้ว่ากันจะนั่งเก้าอี้ก็ยิ่งดีนั่งไปเลยหรือว่าจะยืนสร้างจังหวะแต่ว่าลงพิ่มเขียนท่านก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ท่านนิยมให้ถ้ายืนก็เดินยงกลมถ้านั่งก็สร้างจังหวะ หลวงพุที่เนี่ยสามารถนอนสร้างชั่วได้ด้วยแต่ธรรมาก็ไม่ค่อยถนัดนการนอนสร้างชั่วเนี่ยถ้านอนก็ชอบดูดท้องพองยุบปล่อยเบาๆคลายๆแล้วก็บิ้วๆหลับอร่อยไปเลยตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอย่างเงี้ยนอนหลับเนี่ยเป็นเป็นโชคเป็นลาภอย่างมากเวลาได้นอนนียเพราะว่ามันได้พักจริงๆพักเลยกายของเราวางไม่ได้ใช้น หลังจากที่ใช้กันมาตั้งเช้ายันป่านนี้ละนะเดี๋ยวยังม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้นอนหลับกันนะพักซะร่างกายของเราเหมือนรถวิ่งมาไกลๆบิ่งมาทนะั้งวันก็จอดพักซะเครื่องเคราจะได้นะอุ่นๆแล้วก็เย็นหยุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันลงขึ้นก็ใช้กันต่อร่างกายของเราเปรี่ยนมาอย่างนั้นก็ว่าได้ส่วนจิตใจของเราถ้ามีสติสักหน่อย เราก็จะได้เห็นเลยแม่มันสนุกจริงๆเวลาก่อนนอนทนำะไมมีสติไม่วางวางไม่เป็นเนว่ามันหาเรื่องมาคิดเนะีที่นอนก็ดีพะาห่มก็มนะีห้องนอนก็มุงรวดนะปิดประตูก็ดีแล้วนะแต่ก็ย่างคิดกุ๊กกักอะไรนี้กรยางกลัวนะอันนี้แหละเรียกว่ามันไม่พอใชนะ้ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนตื่นนอนนะก่อนนอนมันคิดนะ นอนหลับยิงแล้วใหญ่เพราะว่าสติมอ่อนตัวเลยอย่างความคิดถูกกดมาทั้งวันถูกกดมาทั้งวันเลยมันไม่ได้คิดมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้รับอาหารเพราะความรู้สึกตัวเป็นอาหารของสติสติมจเจริญมันจเจริญสติอยู่เความคิดไม่ได้รับอาหารปกติไม่ได้เจริญเจริญสตินั่งเดินยือนนอนอยคิดตลอดเพราะฉะนั้นตอนนอนยังเป็นโอกาสดี๋ยงความคิดสติอ่อนๆออก็เลยคิดแหลกเลยเนะผู้ใหม่ เพราะนั้นจึงต้องเรามาระวังนะการพูดการคุยกันเนี่ยเพราะเคยเป็นอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนสมัยบวทให ม, ใหม่อยู่กุฎสิบกุฎสิบห้าอโซกาก็เดินเข้าทางนู้นนะเดินตึ๊ด ต, ต, ตึทางสละไก่ไปจะเจอกุฎสนะิบห้าหรือจะไปทางนี้ก็ได้ทางตรง มีอยู่สงทางแต่ทางโน้นก็ไกลแต่จะเดินให้ใกล้ก็ตัดมาทางกุฏิที่สร้างใหมนะ่หรือว่าจะเดินเข้าทางนี้ก็ได้มันมใกล้ๆนะเสร็จแล้วก็เข้าไปไปคุยกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนนอนไม่หลับเพื่อนมาจากสวนโมกนะชื่ออาจารย์ปรีดีเป็นคนหนุ่มแล้วก็นอนไม่หลับ ก็บอกเ อ, อผมก็นอนหลับสบายดีนะอาบาก็บอกก็นกันนะท่านเป็นไงนาะนอนไม่หลับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันตื่นทั้งคืนนะเ อ, อ้ผมก็ไม่เป็นอย่างท่านนะสบายหลับสบายนอนนหลังจากคุยเสร็จคืนนั้นพอกลับมานอนไม่หลับพ่อห่วงเพื่อนอนะ่ะเพื่อนนอนหลับไปยังนาะป่านเนี่ยป่านนี้เพื่อนหลับหรือยังนาะอย่างเงี้ยไปคุยกับเพื่อน บางทีก็ติดมาเลยโลกนอนไม่หลับติดจากเพื่อนมาแล้วเพื่อนนอนไม่หลับเราก็ไม่หลับด้วยพอถึงเวลาก็ติดเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมาเหมือนกับว่าเราจะทาสีต้นเสาต้นนี้เราจะทาสีสีทุกยี่ห้อก่อนทาเนี่ยคุณต้องเช็ดฝุ่นออกก่อนเช็ดคราบน้ำมันออกก่อน พอเช็ดเรียบร้อยเหลือเนื้อแต่เนื้อแท้ของไม้แล้วค่อยเอาสีมาทาการที่เรามาปฏิบัติธรรมเจริญสติก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดมีอะไรหลุดหล่นลงไปบ้างไหมมันทินเครื่องเศอ้หมองกีเลสยาไปหาเรียนไม่รู้ตัวไหนมันเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าเรารู้สึกตัวอยู่แท้ที่จริงมันก็ช่วยชำระล้างไปมาก พอสมควรแล้วละสมควรแก่การปฏิบัติพอเราไปพูดไปคุยรับเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาเรียบร้อยเลยติดหนับเลยกันอารมณ์มันเหนียวเพราะปกติเนี่ยสังโยชน์มันเหนียวมากๆสังโยชน์นี่เหนียวคราวนี้เราเริ่มต้นที่จะฝึกหัดปฏิบัติมันกลายเป็นว่าของเก่าก็ยังไม่ได้หายไปไหนของใหม่ก็เข้ามาอีก เปลียบต่อก็ได้องค์แห่งความเพียรน่ยนะการที่เพียรปฏิบัติธรรมเปรียบเหมือนกับเราวิปลาก็ะดันอกจากเราทอดแหแล้ววิปปาเคยเคยเหมือนกันนะไม่ยากเรื่องวิปลานี่เอาดินเหนียวมากั้นกั้นกันก่อนจะเอาดินเหนียวกั้นก็เอาหญ้ามากั้นกั้นก่อนพอเท้าดินเหนียวอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไหลไปตามน้ำต้องเอากิ่งไม้เอาญ้ามากั้นซะก่อนเสร็จแล้วเอาดินเหนียวมากลบเข้าไป เคยมียกหนึ่งยกนั้นไปนะคลองขุดคลองขุดคือเขื่อนนะที่มาจากดอกกลายแล้วก็ลงที่นะ อ, าอําเภอบางไคเสร็จแล้วจะมีคลองชมพูทานส่งน้ํามาเกือบถึงบ้านน้าชายก็ไปอาศัยนะก็เอาเมียใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเพราะาพาหนีอ่ะนะกันนี้ระหว่างนั้นก็อยู่กันก็อยากยาช่วย ว่าจะทํามาหากับข้าวอะไรมาอย่างเงี้ยหาผักหาปลาว่างนั้นนะนะก็อยากช่วยแบบนั้นตามภาษาลูกทุ่งลุกทุ่งอะไรนะคนเมืองแต่อยากไปอยู่แบบลุกทุ่งก็เสร็จแล้วว่าไปไปดูตรงนี้กันเโอ้โหน้ําเต็มเลยปรากฏว่าเขาก็ไม่อยากที่จะวิดน้ำํำว่าน้ํามันเยอะแล้วคนเมือง น, นะแต่ปรากฏว่ามีปลาตัวหนึ่งปลาช่อนตัวใหญ่มากก็ดันกระโดดข้าม คันนาเฉยเลยไปอีกฝั่งหนึ่งนะปลาคล้ายๆกันได้กลิ่นน้ําอีกฝั่งหนึ่งก็กรโดดข้ามมาเห็นเช่นนั้นนะคือคงเป็นเวรเป็นกรรมกับน้าอาตมานะปลาตัวนนะี้เจแล้วปรากฏว่าพอน้าเห็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยไม่รีรอเลยนะน้ําเยอะขนาดไหนนี่วิดใหญ่เลยอาตมาก็สังเกตเหมือนกันน้ําไม่มีประสบการณ์ในการวิดปลาวิดไปวิดมาพอน้ําข้างหนึ่งมันเยอะมันก็พังกําแพง แต่ด้วยความที่เห็นปลาตัวใหญ่อยากจะวิตน้ําแห้งครัอุสาหะเอาผักตบชวาเอาอะไรมากั้นกั้นกั้นกั้นช่วยเสร็จแล้วก็ขยันวักดิงมาปักปักปักปักโปะโปะโปะเข้าไปก็กลายเป็นว่าเออเห็นมันเหมือนกับที่เวลาเราปฏิบัติธรรมเลยนะเราก็ต้องปิดกั้นก่อนไม่ให้ของใหม่ไหลทะลักเข้ามาเพราะฉะนั้นการรับรู้อารมณ์การคุกคีเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่ง โน่นควรไม้โน่นเรือนว่างโน่นกองฟางโน่นทำไปนั่งตั้งกายให้ตรงดํำรงสติให้มันแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้าไปฐานไหนก็ตามถ้าฐานที่หนึ่งจะเป็นอาณาปะติก็ทําไปแต่มันเบาหน่อยนึงหรือว่าจะไปพิจารณาศพศิริยะอสุภะก็ทําไปถ้าทําเป็นอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะนั่งเดินยืนนอนอย่างเงี้ยาตามรู้การเคลื่อนไหว อ, อีบทใหญ่4อย่างเงี้ย ว่าสามัญปประอย่างเงี้ยนั่งเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเงี้ยก็ทําไปทําอะไรเป็นก็ทําไปอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเออเราปิดกันก่อนหาที่มันสํารวมสงบสักนิดหนึ่งไม่มีอารมณ์ของเพื่อนที่มากระทบหลายคนครูบาอาจารย์ได้ทํามาหมดนั่นแหละหลวงปู่เทียนก็เคยทำหลวงพ่อหมื่นเขนเคยทำเคยทำมาต้องต้องหาทีม่มองกับตนก่อน2ก็คือขยันรู้สึกตัวเข้าไปขยันวิทยออก ขยันวิตัออกของเก่าเราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์นก็คือมลทินเครื่องเศร้ามองอาการ ต, าต่างๆแสดงออกมาในคราบนะรูปรอยของความคิดนะการปรุงกันแต่งอดีตนะมันจะโผล่มาเต็มไปหมดแล้ว่องรอยอดีตนะถ้าติดดีหน่อยเผลอๆความวิตกของวันวิตกจริตนะก็ไปอนาคตก็มีบางคนนะคราวนี้ไม่ว่าความคิดแบบไหน เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็น่าอารมณ์แบบไหนเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็น่าเราก็มีแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างเงี้ยมันมีแต่ความรู้สึกตัวเข้าหาความรู้สึกตัวคือวิทยแล้ววิทอีกวิทยแล้ววิทอีกเอาของเก่าออกไปเอาของเก่าออกไปมันคิดมาตัดกลับมาคิดมาตัดกลับมาอย่างเงี้ยขยันปฏิบัติขยันเคลื่อนไหวก็คือขยันรู้ทำเกิดความต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรูวรวรว้วิทไม่หยุดหยุดไม่ได้น้มันซึมเข้ามาน้ํามันซึมเข้ามาก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวมันก็ง่ายที่จะรับรู้ทางาตาลตาหูจมูกลิ้นไปรับรู้อารมณ์ถ้าเราไม่กําหนดเข้ามากลับมามันก็จะพุ่งออกไปาตามความนิสัยที่มันเคยชินหรือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจไปรับ แต่ว่ามีคนก็เดินเข้ามาหาเราแล้วเราจะทำยังไงอย่างห ง, งพ่ออมเขียนท่านก็บอกว่าเออท่านก็ยังปฏิบัติธรรมอยูนะ่รู้สึกตัวอยูนะ่มีเพื่อนมาขอเข็มกับได้ท่านก็ไปหยิบให้นะไม่ได้ทำหนีว่ามาทำไมนะทำไมต้องมาตอนนีนะ้แล้วก็ไม่มีป้ายเขียนด้วยว่างดพูดเพื่อภาวนาห้ามนะมาพูดมาคุยมาเยี่ยมนะกำลังเก็บอารมณ์มันไม่มีติดหรอกนะ เพราะว่านั่นแหละครูก็มาสอบถึงที่นะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะไปติดป้ายสะโก้เยอะสร้างภาพนะเก็บอารมณนะ์งดพูดนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าขออภัยในความไม่สะดวกขนาดนีนะ้ไม่ออกมาพบเพราะว่าอะไรามากมายแล้วกันอ้างเหตุอ้างผลนะอันนี้เราไม่ทำอย่างนั้นกันหรอก เราก็ระวังตรงที่ว่าพยายามรู้สึกตัวเข้าไว้เพื่อนมาเราก็ยังรู้สึกตัวอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกตัวที่ฐานกายอยู่จิตก็จะไม่สง่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าทวารที่มันเป็นเรื่องของมรรทวารคิดเก่งปรุงแต่งเก่งอาเนาคตมากมายแล้เกินวิพาวิจารบิดตกวิจารณ์ต่างๆมื่จะเหลือแค่ความรู้สึกตัวธรรมดาเป็นความปกติ รู้สื่อื่อรู้สื่อสื่อนะีพอเราขยันที่จะภาวานาให้เกิดความต่อเนื่องนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ถูกนะอนุรักษ์เอาไว้นะแล้วถูกเก็บรักษาไว้นะรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกเนี่ยมันก็พอกพูนเป็นความปกติที่มันเต็มแล้วมันก็อิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะมันรู้นะรู้โดยที่เราไม่แปกค่า อะไรที่มันเกิดขึ้นมาเราไม่ให้ค่าไม่ต้องเสียพลังงานนะเพียงแค่นะรู้สื้ๆจนเป็นสภาวะดูนะสภาวะดูดูแลเห็นเห็นแล้วสักตว่าสักว่าสัก ต, ว, กตว่าขึ้นมาเนะี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราก็ชวนกันทาพากันทาอยู่ทุกวันนี้แหละนะเป็นเรื่องเดียวกันนะจะทำอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของการภาวนาถ้าหากว่ารูปแบบเราชัดเจน รูปแบบชัดเจนแล้วก็พาเราไปนะก็เรียกว่าได้ปลามาแกงแล้วค่ะเนี่ยนะอิ่มท้องนอิ่มอกอิ่มใจอบอุ่นขึ้นมากินก็อิ่มนอนก็อุ่นนะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เลยเป็นปัญหาอะไรหรอกปัญหามันอยู่ที่เรานะปัญหามันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของธรรมดากฎของธรรมชาติทั้งหมดนะมีแต่ธรรมชาติเท้านั้นเราก็เออสนุกดูค่ะเนี่ยมันเรียงแถวไม่ให้ดู ก็ว่าม า, มาเรียงแถวให้เราดูนะีภาษาหลวงพ่อมเขียนแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆรนะิสภาวะต่างๆเราก็ดูอยู่นิดงเหมือนดูผ่านประตูนั่นแหละดูผ่านประตูมันนั่งอยู่ริมทางกะนะ็ได้นั่งอยู่ริมถนนเดี๋ยวก็ขับผ่านไปแฟบนะสีดําสีแดงสีเขียวนะรถแปลกๆยี่ห้อแปลกๆนะผ่านหน้าผ่านตารถกระบะรถบรรทุกรถบัสต่างต่าง ก็เหมือนอย่างนั้นนะนั่งดูแล้วก็แล้วไปผ่านแล้วก็แล้วไปเราไม่ต้องไปเรียกว่าเฮ้ยจะไปไหนไม่ต้องไปเรียกซื้อรถมาเท่าไหร่นี่ไม่ต้องไปเรียกเพียงแค่มันวิ่งผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วก็นั่งดูเฉยๆสนุกดูในจิตเราก็เป็นอย่างนั้นแหละภาวะของการดูแต่ภ า, าวะของผู้ดูมันมีประตขมันอยู่มันมีพักมามันมีมกมีผลอยู่ตรงนี้แหละ มันเป็นมรรคเป็นผลนะอยู่ตรงสภาวะของผู้ดูมรรคก็คือกําลังเจริญสติอยู่ภาวะผู้ดูนี่แหละคือกําลังเจริญสติอยูนะ่ผลก็คือมันผ่านไปนะโดยที่มันไม่ให้ผลกระทบเป็นบวกเป็นลบเป็นสุขเป็นทุกขนะ์จนกระทั่งมันเหมือนกับว่ารูนะ้แหล่งของสภาวะต่างๆมันจัดหมวดจัดหมู่ที่เราไตาสิกานันะ่นแหละไตสิกขาศนะีนสมาธิ ป, ปัญญาไตรสิกขา มันคือการถลุงที่หลวงพ่อท่านใช้คำว่าถลุงก็เพราะว่ามันเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนกับเรานั่งดูถลุงแร่เสร็จแล้วมีดินดินมันก็ไหลไปสู่ดินโคลนก็ไหลไปสู่โคลนอย่างเงี้ยแร่ก็ไหลไปสู่แร่เพชรก็สู่เพชรพลอยก็สู่พลอยเครื่องมือดีๆมันก็เป็นอย่างนั้นสติสมาธิความรู้สึกตัวมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีแบบนั้นนะมันเกิดปัญญาขึ้นมานั้นก็คือความชํานาญ ที่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูจนถ้ามันรู้จักก็คืออะไรนะอะไรเป็นตะกลันอะไรเป็นของมีค่านะอะไรหลลงต่าอะไรควรหยิบออกมาแล้วเอาไว้ใชนะ้เป็นความดีความงามนะนะนะเป็นความสุขนะอะไรเป็นคุณธรรมอะไรเป็นจริยธรรมอะไรเป็นศะิลธรรมอะไรเป็นวาฎธรรมนะอะไรเป็นความชิบหายหายนะันะนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่นะทุกคนทำได้ ทุกคนทําได้เพราะเป็นบรรยากาศที่นะหลวงพ่อมเขียนท่านสร้างจากภูมิจิตภูมิธรรมของท่านสถานที่วัดป่าสุโก ต, โตก็เป็นแบบนี้แหละอะไรที่เกิดมาในวัดป่าสุโกนั่นก็คือภูมิจิตภูมิธรมรมรของผู้ที่สร้างวัดสร้างวาจนถ้ า, ามันเกิดอารมณ์ต่างๆเหมาะแก่การเรียนรู้เป็นมหาเลายเปิดนะอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ เราก็เอาเป็นครูแล้วก็ผ่านทั้งหมดนะไม่ให้มันติดมันขัดไม่ให้มันเหมือนกับว่ามันค้างมันคามันคล่องทำแล้วมาเกิดลำบากก็คือวิบากนะะบางทีทำกรรมฐานที่เกิดวิบากก็มีนะทำแล้วทุกข์เข็ดลาไปเลยบางคนนะทำแล้วเกิดวิบากนะไม่เอาอีกแล้วกรรมฐานกรรมฐานจริงๆมันดีมากๆกรรมฐานนะมันไม่ใช่กรรมดีไม่ใช่กรรมชั่วแต่ไปทาให้ดี ก็ติดกรรมฐานทําให้ชั่วก็เกียดกรรมฐานก็มีแค่นั้นเองแต่ไม่ได้รักไม่ได้เกียดไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์การทำกรรมฐานคือภาวะที่มันดูเป็นมันก็มีทตะเพลิดเพลินไปนดูกายเราเห็นกายในกายจะไปเห็นอะไรเห็นกายตัวนึงที่เป็นดุนเป็นก้อนกายที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นกายยาเญ็นาอะไรก็อีกตัวหนึงมันก็ซ้อนขึ้นมา เวทนาเป็นอะไรมันก็เห็นเวทนาเป็นยังไงอาการที่เกี่ยวข้องกับกายเป็นเวทนาของกายเวทนาของจิตสุขทุกข์ของกายจิตกองลำสุขทุกข์ไปด้วยมันก็ต้องเห็นมันจะไม่เห็นได้ยังไงอาการของจิตเป็นยังไงเราก็ได้รู้จักชัดๆเลยก็คือความคิดหลวงปู่เทียนท่านก็ฟันธงไว้ตรงๆอาการของจิตก็คือความคิดความคิดไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่ความคิดอย่างี้มันแยกก็อย่างนั้น ไอ้ขันขันเดียวเทวดาท่องเที่ยวเก่งเคออยตัวความคิดนี่แหละปรุงแต่งเก่งมากเป็นสัมบเวสีเป็นโอปปาติกะผุดเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับคิดเหตดีคิดเหตชั่วเทวดาพรมอบายภูมิต่างๆเปลีสารโลกสูลลรกายเดรัจฉานเนี่ยเราก็เลือกเป็นเพราะว่าพาูดดูมาอยู่เหนือวันนั้นเองถ้าไม่อยู่เหนือมันก็ดูไม่เป็นเหมือนกับตัวรู้กับตัวหลงนั่นแห ะ, ะตัวรู้เนี่อยู่สูงนะั ในขนาเดียวกันถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็ตัวหลงก็อยู่สูงเหมือนกันหลงแล้วก็โกอธหลงแล้วก็โลภยิ่งยิ่งใหญ่มากตัวหลงน่ะตัวไม่รู้รู้ไม่ถูกมันยิ่งใหญ่มากคนะ ร, รกาวนี้ก็จึงมารู้สึกที่ฐานกายไว้ก่อนรู้ถูกทุกครั้งนั่นแหละเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวได้เห็นหน้าเห็นตามันก็จึงเป็นประสบการณ์ที่มันมีอยู่ทุกคนถึงไม่ต้องเคยทอแท้ ถึงไม่ต้องเคยไปบิดแปลโอ้โหยิ่งเจอปลาไหลกจะทำไงเอเยียมจะปลาไหลได้หเจอปลาไหลลื่นปลาหลดปลาลื่นลื่นก็มีปลาดุกนอกจากลื่นหลังย่างต่ำปลแขยงพวกนี้ลื่นหลังย่างต่ำปลาชะโอนอนี้ลื่นปลาหลดปลาไหลปลากระทิง ปลากระทิง ต, ตัวลายๆ ล, ลื่นจริงๆจะมีเชืองที่สื่อกับปลาโบโหมันยอมให้จับเลยปลาโบนางสารมันนิ่งแต่มันก็ไม่กระดกดกระเดกเลยตัวสากีต่างหากสุ่มก็เหมือนกันอาจจมาเข้าใจเลยประเภทปฏิบัติธรรมสุ่มๆเป็นยังไงเขาเคยสุ่มหาปลาเหมือนกันสุ่มเลยนะสุสม่สมสมุ่มสุ่มสุ่ม ถ้ารู้ว่ามีปลามจะกึ๊กนิดหนึ่งปลาวิ่งชนสุ่มเราจะสัมผัสได้หละกึกนิดหนึ่งเสร็จแล้วไอ้ไอ้หน้าที่จะใช้สุ่มอะต้องเป็นหน้าของเกี่ยวข้าวแล้วประมาณนี้แหละต้องใช้สุ่มประมาณนี้เลยข้าวมันน้าแห้งแล้วก็มีน้ํำคลุกคลิกๆแต่ว่าปลายังวิ่งหนีได้รู้ว่านองน้ําที่เริ่มแห้งนะใช้สุ่มอยเสร็จแล้วถ้าโดนโงูมก็รู้อีกนะโดนโงนะูนี่ ล่วงๆไปเนี่ยโงูนี่เกตมันจะย้อนประดอนมือปั๊มโอโหมาสากหน้าดูเลยมือนะโอ้เป็นอะไรที่มันไม่สนุกเลยฮะยอมทำอะไรแบบสมสมเนะี่ยเสียนะสเส่ยงสมแล้วเสี่ยงบางทีเนะี่ยปลาเขาู้นะว่าสมเนะี่ยมันขึ้นข้างบนพราแขนเราล่วงไปล่วงไปสมเนะี่ยมันจะพุ่งสวนถ้าเป็นปลาดุกนะั้นเงี่ยงทิ่มเลยนะเพนะราะนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมีประสบการณ์แบบนี้ก็ได้ แล้วมันมีวิธีคิดด้วยโยมเครื่องมือหาปลามาเคยคิดอยู่ชิ้นหนึ่งแปลกมากเลยถ้าเราอยากกินปลาในวนดเทศชวนทำบาปทากรรมนะเปรียบเทียบนะโยมนะเปรียบเทียบเฉยเปลาที่เป็นปลาก็เรียกปลาซิลควายรู้จักไหมปลาซิลควาย ปลาทะเลเปียกเหมือนปลาสันเขียวนะตัวนี้นะโยมปกติเา้าจะมาพล่ามาล่ากันนะเสร็จแล้วในวิธีจับเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมาดูท้องฟ้าปั๊บมันหงายท้องมันตายเลยแล้วก็ไม่นานนักมันจะเน่าท้องมันจะแตกเน่าพวกปลาซิวปลาซาอยู่นัานไม่ได้ท้องเน่าถ้ามีมีดก็ต้องเอาขี้ออกก่อนแล้วก็ทำเค็มตรงนั้นเลยนะมีเกลือแช่เกลือเลย ทีนี้ปรากฏว่ามันมีเครื่องมืออยู่อย่างมาสังเกตพฤติกรรมของมันนะสังเกตมันนิสัยตะกาตกรรเรื่องมันกินเนี่ยอมันไม่สนใจใครเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยมาตัดกระบอกไม้ไผ่มาหนึ่งแล้วก็ตัดเหมือนกระบอกข้าวหลามะเอาโคนมันไว้แล้วก็เสียมไปแหลมๆเสรยมแล้วก็เจาะรูก็เอาล้ำไปใส่ผสมกับดินเหนียวหน่อยหรือเข้าสุกกระได้มันติดปากมันกินไม่สะดวกมัน เสร็จแล้วพอมันไปกินติดปากไอ้เพื่อนมันคอยมันคอยไม่ไหวมันก็กระทุ้งเพื่อนมันเพื่อนมันก็ขึ้นปากกระบอกว่าเห็นแสงอยู่ปากก็บอกถอยหลังไม่ได้ข้างหลังเพื่อนมันเต็มไปหมดไงมันก็ดันออกทางปากกระบอกมากเอาถุงไว้รอตรงนั้นมันก็วิ่งเข้าถุงวิ่งเข้าถุงวิ่งเข้าถุงถุงเทคนิคก็คือไม่ให้มันย้อนวิ่งออกมาเป่าลอยน้ํำเท่ากเหมือนกับเอาถุงลูกปลาไปลอยน้ำมาอะไรเงี้ยนั้นประสบการณ์พวกนี้ก็คือมันบอกถึงอะไรรู้ปะ าา ก, าการที่เราทํางานทําการการที่เราทํางานทําการแล้วมีประสบการณ์ให้มันรอบตัวหาอยู่หากินให้มันหายสงสัยเรื่องวิชาชีพอยู่ตรงไหนะไม่อดไม่อยากเรื่องโลกแน่นอนที่สุดฮะเพราะฉะนั้นทางโลกเมื่อเรามีจนอิ่มจนเอียนจนอยากอ้วกมันจะเกิดอะไรขึ้นมบาบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงโอ้ย เวลามันมีอะไรหนึ่งสองสามสี่วัตถุมันมีอยู่โทรศัพท์หนึ่งสองสามสี่เครื่องทีวีสองสามสี่เครื่องรถหนึ่งสองสาม่เยที่ดินหนึ่งสองสามบ้านหนึ่งสองสาม่เงี้ยเงินยอดนมชีพเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเออมันไม่เห็นยิ่มตรงไหนเลยเวลาอยู่คนเดียวสับสนมันเหงามันว่าวเว่มันเดียวด้มันบอกไม่ถูก มันหาอะไรมไม่อิ่มนั่นคือมันมันไม่ใช่เรื่องการทมาหากินแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่มันขาดอะไรไม่รู้อาหารใจอย่างเงี้ยนะต่อมาก็คือเราก็เอ้เราก็อิ่มจนเอียนจนอยากอ้วกท้ายสุดเราก็ยังทำงานอยู่เหมือนคนเห็นแก่ตัวอา้าวมันเหมือนคนเห็นแก่ตัวนะอ่เราก็มีการให้กันฮะ ให้การิย์ซาลาสิ่งต้นไม้ใบหญ้าซื้อมาปลูกลดต้นไม้ให้ปุ๋ ย, ยมีความสุขสันตนานการงานในเหล็กแต่มันก็ไม่ใช่กันนะเป็นพาล่ะบางทีต้องคอยรถไปไหนก็ต้องคอยกังวลอย่างเงี้เยเฮมันก็ไม่ใช่นะบางทีให้คนให้แล้วก็เนรคุณตอบเจอเยอะมากทาคุณคนไม่ขึ้ น, นบางทีก็ตําหนีตัวเองเหมือนกันเนี่ เยันดูเขาเอนเราขาดทําดีไม่เห็นดีเลยบางทีก็ทําให้คนดีท้อแท้ในการความดีเหมือนกันนะว่าทําดีไม่เป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้ววางใจก็ไม่ถูกหนะวังว่าให้แล้วต้องได้คืนอเงีจริงก็วางใจไม่ถูกจริงกันแล้วก็แล้วไปนะมันสบายอกสบายใจมันโล่งดีนะให้เป็นการทําบุญนวเกณิ์เป็นบุญคนกินเป็นทานอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ มันต้องอย่างงั้นต้องนี้ต้องง่วนให้แล้วต้องดอกเบีย้ยด้วยอะไรมันคิดมากอย่างนั้นท้ายสุดก็คือไม่มีความสุขหลักการให้พอให้พระก็ต้องดูพระเองนะอาตมาเนี่ยบางทีขับรถไปก็มองโอ้ทำไมเขาทาอย่างนั้นโนาะอย่างเงี้ยพระทําไมนั่งไม่สํารวมรวมเลยนาะมองหลักหลักหลิกๆอย่างเงี้ยเคยตำหนิมาบางทีก็ดูเหมือนกับว่าทําไมสูบุหรี่สูบุหรี่ทําไป เป็นพระสุบริํารทำใหม่ถ้าอดไปได้มาบวชทำใหม่มันก็ตีแบบนี้นเป็นอย่างนั้นจริงๆไทยเจอคื อ, อ, อมันไม่ใช่เรื่องของเราทั้งหมดเนขนาดบวชแล้วนาฬมานะนั่งรถนะมียุคหนึ่งนะนั่งรถนะพระสุบริามาไปเชงเลยในรถนะจะสูบทำใหม่อะไรกันนะไปเชงนะในรถนะเคยทำแล้วหรือบางทีเนี่ยไปหมอชิดเนี่ยเจอเป็นประจญ์นาฬม า, า, มานะ ไปเดินใส่พระอะไรในมหาชิตเนะี่ยบางทีก็ทลกเพราะว่าเขาเวกผ้าไนงะแทนที่จะสำรวมคุมดีๆไปซื้อตัวนะ๋วแล้วก็นั่งก็สูซบุรีกันเนยะบางทีก็ไปเชงเลยในยุคตนๆแลยภาษาใหม่ๆอารมณ์แรงนะอามานะี่อันนี้พอตอนหลังนี่มันไม่ใช่เรื่องนะเรื่องเราคือกลับมาดูตัวเองเรื่องเราคือกลับมาดูตัวเองเนะี่ยจัดการดี่ตัวเองเนยะ เพราะนี่คือเรากําลังไปชี้โทษเพ่งโทษมันก็คือกิเลสเหมือนกันนะกิเลสในตัวของเรามันแสดงออกมาเป็นกิเลสตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่แ ท, ท้จริงก็คือเราเสียอะไรเรามองคนอื่นก็จะเป็นสีนั้นเราไม่มีธรรมแล้วก็มองคนอื่นไม่มีธรรมเราไม่ใช่คนแล้วก็มองคนอื่นไม่ใช่คนมันจะเป็นอย่างนั้นเลยทันทีตอนหลังตัดกลับมาหาความรู้สึกตัวตัดกลับมาหาความรู้สึกตัวมากเท่าไหร่นะ โอ้มันเป็นเรื่องของเรานะกรรมไครกรรมเผือกอะไรันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราที่เราต้องกรรมมาดูตัวเราจัดสรรจัดการกับกิเลสเครื่องเศร้าหมองบนทิศในตัวเราท้ายสุดกลายเป็นว่าโอ้เราก็หาของดีๆต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสุขกับรถไปต่างจังหวัดไปนั่นไปนี่ไปโน่นของอร่อยอร่อยที่ไหนขับรถไปนะวัดดีๆที่ไหนก็ไปพ้าที่ไหนดูดีๆนะเขวี้ยดีก็ไปนะ ไปดูที่เป็นยังไงเมื่อทีมีการสะดอเคราะห์นะว่าเออนอนในโรงสิก็ลองไปทำมาแลณาอารบานะวัดนย่งเทพดังมากก็ไปเป็นไรนะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ลุกขึ้นมาห้ยเขาพันน่าทำบุญกับเขาในยุค20ปีที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนะชีวิตของเราผ่านกันโชคโจนมาท้งนั้นนะท้ายสุดก็คือนะ เราไม่โชคโชนเลย ก, การปฏิบัติธรรมนะการฝึกสติปัญญานนะการที่เราจะเข้าถึงนะความรู้สึกตัวเฉยๆซื่อๆออนะซึ่งเป็นตัววิปัสสนาเนี่ยรู้สื่อรเราไม่คุ้นเลยนะเราคุ้นแต่ว่าต้องคิดสินะทาอะไรก็ต้องคิดก่อนสินะต้องคิดก่อนมันจริงหรือไม่จริงนะต้องใช้ความคิดนะหาเหตุหาผลดังนะการปฏิบัตธรรมเนี่ยไม่ต้องมาหาเหตุหาผลอะไรเลยนะเห็นว่าเออ มันก็น่าจะมีนะไม่รับไม่ปฏิเสธลองทําแบบวิสัยบัณฑิตก็ได้เออมันมีอย่างนี้เลยเหรอถึงตร ง, ตรงนี้แล้วก็เลยเป็นความรสึกว่าเออไม่ต้องคิดมากเลยมาแล้วเราก็ทําตามที่พระหลวงพ่อครูอาจารย์บรรพุรุษนะท่านได้ชี้ได้นเอาไวนะ้นก็นไม่ได้เชื่อนะแต่ไม่ปฏิเสธพอทําตรงนี้ปับ๊บมันกลายเป็นว่าเออง่ายกลับง่ายขึ้นไห ความรู้สึกตัวเดินก็เดินง่ายๆเนี่ยเราไม่ได้เดินยากอะไรเดินเหมือนที่เคยเดินนะแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกที่เราเคยเดินฟรีๆมามันมีความรู้สึกอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ฟรีแล้วเป็นความรู้สึกโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วมันเป็นย่างนี้นี่เองเคยเดินนะแล้วความรู้สึกตัวมันชัดตอนฟ้าผ่าปกติฟ้าผ่าเปลี่ยงขึ้นมาใครๆก็ต้องสะดุ้งถ้าขาสตีนะมีอยู่วันหนึ่งเดินแล้วเห็นใ้ตัวในชัดมากเลย เดินทําวัดเสร็จอย่างเงี้นะฝนตกหนักวันนั้นก็เดินเข้ากุฏิสิบห้าน้ำมันหลากลงมาว่าพื้นที่มันลาดเอียงมันมีความรู้สึกเลยเดินเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีสัตว์เลยคานไหลามาตามน้ําแล้วกัดเรามันกรปรุงไปก่อนแล้วมันก็รู้แล้วเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้ว ต, ตัวนี้เป็นตัวคิดเลยก็นี้อยู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงมามันเห็นจิตเลยกระดิกนิดเดียวแลนะกระดิกแล้วก็ เป็นปกติอุนี่ความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวมันจําอย่างเงี้ยมันจําบ่อยๆมันจําไม่ลืมมันเห็นแล้วล่องลอยความรู้สึกตัวความเป็นปกติอยู่ตรงนี้เยจิตปกติเป็นอย่างเงี้ยเวลามันกระดิกไปมันหลงเพลอไปตามเสียงตามแสงตามกลิน่นตามรสชาติหรือว่ากายสัมผัสที่นอกเหนือจากความรู้สึกตัวที่เราผลิตขึ้นมาหรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ ที่เกิดจากการปรุงการแต่งมันก็ถูกรู้มันไม่ใช่ตัวปกติแน่นอนไม่ใช่ตัวสภาวะของความเป็นกลางที่ไม่ใช่เหนือไม่ใช่ใต้ไม่ใช่ออกไม่ใช่ตกไม่ใช่บนไม่ใช่ล่างไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาไม่ใช่นอกไม่ใช่ไม่ใช่ในไม่ใช่สิ่งที่หลวงู้ทเทียนพูดว่าในถ้ำหรือนอกถ้ำภาวะของกลางๆางที่อยู่ปากถ้ำไม่ใช่ในถ้ำหรือไม่ใช่นอกถ้ำ ไอ้ความเป็นกลางความรู้สึกตัวตัวนี้นะมันเป็นความรู้สึกตัวที่อศัศจรรย์จริงๆนะมันเป็นความอาศัศจรรย์ที่เรารู้ว่าเราเดินอยู่บนดินนั่งอยู่เดี๋ยวนีนะ้กำลังพูดอยู่นี่นเป็นความอาศัศจรรย์มันไม่ใช่รู้ไปนอกตัวนอกโลกนะมันไม่ใช่แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากที่นี่และเดี๋ยวนี้ขณะนี้ขณะนี้ขณะต่อขณน ะ, ะก็ผูดให้ฟังนะ เห็นว่าสมควรเวลากับพระพร้อมกัน